มาขาบูชาแล้วเป็นวันที่พระพุทธเจ้าสแสดงโอวาตปฏิโมกในเวลล่นแล้วแต่องค์อรหันต์หนึ่งพันสองรห้าสิบองค์นี่เป็นวันสําคัญมีทั้งเดียวเท่านั้นเวียนมาถึงเราก็ให้พา ก, ากันทําจิตทําใจของเรานี้ให้เข้าถึงองค์อราหันต์นั้นองค์อราหันต์ก็คือองค์พระพุทธเจ้าองค์อราหันต์ก็คือองค์ภาษาองค์ภาษาวูของพระพุทธเจ้า เข้าถึงคือใจของเรานีเข้าถึงเข้าถึงพระคุณเข้าถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเข้าถึงเพือพระคุณขององค์อรหันต์นั่นเข้าถึงภายในจิตในใจของเรานี่เองเข้าถึงใจของเราที่แน่วแน่เป็นสมาธิธรรมใจของเราเข้านั้นแน่วแน่เข้าถึงแอสมาธิธรรมนั่นแหละใจของเราเข้าถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระคุณของพระธรรมและเข้าถึงคุณของพระสงฆ์ ยิ่งกว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาแต่พา ก, ากันทําจิตทงใจของเรานี่ให้เข้าถึงพระคุณทั้งสามประการนี่ในวใจัยของเราเข้าถึงพระคุณทั้งสามประการแล้วใจของเรานี่ยจะมีความอัศจรรย์ขึ้นทีเดียวนี่สมาธิสมาธิเราเคยได้ยินนี่แต่มันเจอขึ้นมามันเป็นขึ้นมามันเจอที่ไหนมันเป็นที่ไหนใจของเราเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นที่อื่น ไม่ใช่เป็นที่อื่นเป็นที่ใจของเราที่วุ่นวายใจของเราที่ฟุ้งซ่านใจของเราที่ไม่สงบท่านนั้เป็นสมาธิขึ้นมาเป็นทั้งจิตทั้งใจทีเดียวในขณะนั้นจึงวันในเมื่อการในเมื่อมีการฝึกปบรมทองอย่าไปคิดถัวเวลาของเราน้อยเวลาของเราเมีนมันน้อยนี่ยากในไม่สามารถที่จะทําใจให้เป็นสมาธิทําได้ดอกนี่เพราะอะไการทําสมาธิทําถากระจริงจริงๆตั้งใจทําจริงๆแล้วทาขณะเดียวใจก็เป็น เราทำจริงๆทําจริงๆทําจริงๆคําสอนก็เลเจ้าเป็นคําสอนที่ให้สอนให้ทําจริงไม่เคยสอนท่านทำเล่นในเมื่อทําจริงในขนาดใดใจของเรานี่จะปรากฏเป็นสมาธิทําขึ้นในขณะที่ทําจริงนั่นนี่คือพูดถึงปัญญาเนี่อย่าพึงไปคิดถึงอย่าพึงไปพูดถึงนี่จะมาเป็นบางคนพูดว่าเป็นสมาธิแล้วจะไปเรียนปัญญา ใจสงบแล้วจะไม่เกิดปัญญาอันนั้นเรื่องของคนที่ใจไม่เป็นสมาธิเขาพูดกันใจที่เป็นปัญญาจริงๆนี่จะต้องอาศัยสมาธิทําเป็นพื้นฐานทั้งนั้นเจา้าความคิดความอ่านความตม่นความเดาอันนั้นเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาอันนั้นอันตรายแก่เจ้าของนี่บางทีเป็นอันตรายของเจ้าของบางทีไปติดพวกติดตลางพราอความฉลาดของเจ้าของก็มี เป็นอันตรายแก่เจ้าของเราเป็นอันตรายแก่คนที่มาเกี่ยวข้องด้วยความรู้ความฉลาดสติปัญญาเกิดจากใจที่เป็นสมาธิธรรมไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายเจือปนอยู่ในกวนในในสติปัญญานั่นเลยจึงให้พาการสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นอันเกิดจากใจของเรามีสมาธิทำเป็นพื้นฐานของใจ แ ล, แ, แ, และจะเป็นประโยชน์แก่ใจเป็นประโยชน์แก่เราอย่างเดียวและจะเป็นเป็นประโยชน์แก่โลกด้วยอย่าพระพุทธเจ้าทําพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่พระองค์ท่านและทําพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่โลกเนื่องจากจิตของพทุทธเจ้ามีการฝุดอบรมเข้าถึงสมาธิธรรมอย่างสมบูรณ์อาต่อไปนี่ให้พากันนั่งสมาธิธรรมต่อสนนั่งสมาธิต่อไป ใครสะดวกในการที่จะบำเพ็ญสมาธิต่อก็ทําใครไม่สะดวกมีความประสงค์จะกลับบังกับช่องอันนั้ น, น, นก็ตามอัธยาศัยเอาใครนั่งข้างนอกเลอาการเย็นสบายดูลูกขมูลลมไม้ไปในตัวดูลูกมูลลมไม้พระพุทธเจ้ า, สาเสวนาเสิร์นพระพุทธเจ้ากระดานเสวยลมไม้เกิดก็เกิดลมไม้้ายก็ยังตายลมไม้อีกนั โลกมีธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าโลกจึงแยกคนว่าเป็นคนแยกสัตว์ออกไปว่าเป็นสัตว์จึงว่าธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์คนที่จะได้รับประโยชน์อันเกิดจากธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า มากและน้อยยิ่งยนกันแเค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติของแต่ละรายแต่ละคนไปบางคนบางรายในเมื่อได้ยินได้สนทสนับแล้วต้งองอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ จ่มแจงในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นได้สมเร็จมาผลพระในผ่านไปก็มีมาบางกลุ่มบางบุคคลรู้จ่มแจงในธรรมในวินัยแต่ยังไม่ทันจ่มแจงถึงที่สุดบครรุคคลกลุ่มนี้ประเภทนี้ก็มีอยู่มาก บุคคลพี่เริ่มเห็นความสำคัญคุณค่าของาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีมากในเมื่อมีการฝึกหัดอบรมไม่เลิกละก็มีโอกาสที่จะเจียมเจียมในสัจธรรมในาศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้จะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับความพยายาม มากเลยน้อยของผู้ปฏิบัตินนะบางคนไม่ได้ประอไม่ได้ประโยชน์เลยผ ม, มีองทำมาเยั่งน้ไม่ได้ประโยชน์มันก็ฝนตกมงลงมาอย่างนี้ไม่สนใจที่จะเก็บเอาไว้ใช้ซอยและไม่สนใจที่จะเอามาดึกมาบริโภค ผลที่ตกแค่ไหนเพียงไรก็ช้ไม่ได้รับประโยชน์แก่บุคคลที่ไม่เก็บไว้ใช้สอยไม่นํามาบริโภคเท่งฝนที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกแต่กอไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่สนใจธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ที่ เราพึ่งปฏิบัติเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่มีศรัทธาเลื่อมใสเราพึ่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นได้ประโยชน์โดยโถดถึงกันธรรมะก็ ย, ยิ่งย่อนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของแต่ละรายแต่ละรายที่ยิ่งหย่อนกว่ากันถึงว่าบรรดาเราเรานี่เรียกว่ามมีโอกาสไหน ประโยชน์อันเกิดจากธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคือมีักถามีความเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าตามโอกาสที่เราจะประพฤติปฏิบัติได้หรือตามสติกําลังของเราที่จะประพฤติปฏิบัติได้คำสอนของพระพุทธเจ้าแยกออกมาเป็นสามประเภท สามลักษณะท่านศีลภาวนาคำว่าท่านก็ทำให้เกิดความเป็นมิตรส ม, มานจิตส ม, มานใจซึ่งกันและกันเป็นการผูกจิตผูกใจซึ่งกันและกันไว้คำว่าท่าน ก็ทาให้เกิดความสุขความสบายในจิตในใจในเมื่อมีโอกาสด้ทำสิ่งเจ้าของที่จะของพอใจสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลที่มีโอกาสมีโอกาสด้ทำในสิ่งที่เจ้าของพอใจนะเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาและอานิสงส์ของการบุญกายการกุศลอันเกิดจากการบริจาคทางนี่มีมาก พระพุทธเจ้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี่บริจาคทานนี้ไม่มีใครเสมอจะเกิดณภพใดเกิดณชาติใดใๆพระพุทธเจ้าเป็นผูท้ที่มีความสูงสูงเด่น้วยบา ร, รมีธรรมคือทา น, นบา ร, รมีไม่มีตกต่ำพระพุทธเจ้าทรงสนับสนุนทา น, นบา ร, รมีให้มาก มีคนไปทูลถามพระพุทธเจา้าคนเกิดมาทําไมจึงยากจนคนเกิดมาทําไมจึงให้สมบูรณ์มั่งมีพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าคนที่ยากจนนั้นเป็นคนที่ไม่สนใจในการว่จารณ์าตเป็นคนธาตุนิทีเดียวมาตลอดกาลผลของความตันนี้นั่นแนะ่ะทําให้เกิดให้ทําให้เกิดมากเป็นคนยากจนจะเกิดต่อไปก็ยากจน คนที่สมบูรณ์ไม่บกยไม่มีความบกพร่องส่วนใช่ไหมสวยฉตุไปใจอาข้างกายบริสุทที่อยู่ที่อาศัยอันนั้นเขาทำมาในเวลาเขาทำมาเขาก็มีเขาก็สมบูรณ์ทำมาทางนั้นและพระพุทธเจ้าก็ทํามาตลอดผลของการที่พุทธเจ้าทําเดี๋ยวนี้ยังตกข้างอยู่ บารมีของพระพุทธเจ้ายั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ที่ส adalah, มบูรณ์บริบูรณ์นั้นยังเอื้อเฟื้อเพลเอแเพ่บรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าดาพระเนรทั้งหลายเดียวนี magician? ้บารมีธรรมของพระพุทธเจ้ายังคอยปกเก้าปกกระมอมอยู่อยู่ที่ไหนไม่อดไม่อยากอยู่ที่ไหนอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยทั้งสีที่อยู่ที่อาศัยอยู่ยาคิรันาเพสัสหางคำวิพากไม่อดไม่อยาก นีบ่บารมีของพระพุทธเจ้าปลุกข้าปลุกขมลมทั้งนั้นบารมีของบรรดาเราเรานักบวชทั้งหลายจะมีอะไรเ <c oughs> รื่องบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้บารมีของเราเราก็เหมือนกันในเมื่อบำเพ็ญบารมีพอแล้วก็หาประมาณไม่ได้เหมือนกันเป็นสิ่งที่อัศจ <c oughs> รรย์โปรดยินทาน อุทึงการให้รักษาศีลรักษาศีลก็คือรักษากายของเราให้หมึนปราศจากโทษพ้นจากโทษรักษาสาวาจาของเราให้ปราศจากโทษอย่าไปกล่าวในทางที่ไม่ดีทุพภาสิตทาสิทธิมันไม่ดีคําพูดที่มันไม่ดีอย่าไปพูดรักษาใจมันดีในเมื่อต่างคนพากัน ร, รักษากายสาวาจารักษาใจวางโลภอย่าให้มันเกินขอบเขต วานโกรธเลยละมันละละมันละละมั ด, ร ะ, ม ด, ร, ะมดระวังระงับประไว้นี่ความหลงอย่ามันมีความหลมหลงโมวเมาอย่างมันมีกลายเป็นคนที่มีการพัฒนาดีแล้วกลายเป็นคนดีก้าวหน้าสูงส่งในเมื่อคนมีการพัฒนาดีแล้วยุคหนสมัยใดยุคใดสมัยไหน ยุคนั้นสมัยนั้นลาบเลื่นลมเย็นเป็นสุขเพราะต่างคนก็ต่างมีสีนด้วยกันสีเลนะสุขติยันติคนมีสีนมีความสุขอยู่กับบ้านก็มีความสุขออกนอกบ้านก็ไม่มีปัญหาคนไม่มีสีนอยู่บ้านไม่มีความสุขดอกกินข้าวบ้านก็ไม่อร่อยนอนกับบ้านบางทีก็แมาก็ก้มง่ยก้มง่ก็ก็ไม่ก็ไม่สบาย กินง่ายกินง่ายก็บ้านบางทีก็ไม่อร่อยอะไรต่ออะไรทุกอย่างคือคนคนไม่มีศีลนะเรื่องมันเยอะแยะแหาความสุขไม่ได้เหมือนกระสุนักมันเป็นโรคเรื้อนนอนตรงไหนก็ไม่มีความสุขนอนตรงไหนก็ไม่มีความสุขมันติสถานที่บ้านจริงมันไม่มีความสุขเพราะมันเป็นโรคเรื้อนต่างหารพราะกี่เรื่อนของมัน มันก็คนไม่มีศินนั่นนะหาความสุขไม่นะคนมีศินอยู่ตรงไหนก็มีความสุขพระพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญเรื่องการรักษาศินไลยมาบรรดาเราเราก็มันการตัวดูสินของเราเสมอยู่เสมออย่าให้มีความบกพร่องอย่ามีความบกพร่องบกพร่องตรงไหนความสมองมีตรงนั้นในเมื่อม่มีความบกพร่องและความสมองในใจมีม ความไม่มีการ ม, มีความสมองนั่นคือมีความสุขมีความสมองจะเอาความสุขมาจากไหนสีเรนสุขติงมัญตินักษาสีลไม่มีความสมองในใจเรีนสะาดศนลบริสุทธิ์ยิ่งเหนื่อใจยิ่งสะอาดใจยิ่งบริสุทธิ์จึ่งวัดศีลทําให้มีความสุขไม่มีศีลหาความสุขไม่ได้คาสอนของพระเจ้าที่สอนนวายสอนนวายสอนให้ลมเย็นเป็นสุข หันหลังใส่ความเดือดร้อนหันหลังหลังใส่ความทุกข์ดังนั้นเราทั้งหลายต้องการความสุขด้วยกันนนั้อะไรที่จะเป็นไปเพื่อความอะไรที่จะเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธญ า, า, ารีทพากันประพฤติปฏิบัตินั่นคือทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขปราศาจากปัญหาโดยประการทั้งปวง ก, การบาเพ็ญจิตภาวานาทําให้มากทําให้มากทําให้มากทําให้มาก ภาวนาพุทโธภาวนาพุทโธภาวนาพุทโธภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธทโธทำให้มากทำให้มากทำให้มากทำให้มากทำให้มากจิตเป็นพุทโธหรือจิตมีความสุขแต่หากวาทำไม่พอถ้าไม่พอนี่จิตจะเป็นพุทโธไได้เหมือนก็บทำอะไรก็ฉานการงานไปหนอกคำไม่หนึ่งทำไม่พอเลี่มันจะเป็นสำเร็จเป็นผลงานขึ้นมาเนี่ยมาไม่ได้ มือนกัการหุงการต้มกับมันการความร้อนไม่พอมันไม่สุกดอกจะทําสักกี่ปีสักกี่เดือนก็ช่างเถอะความร้อนไม่พอตั้งไว้สักกี่ปีก็ช่างเถอะแต่ความร้อนไม่พอที่จะสุกมันก็ไม่สุกไม่ต้องไปหุงนานหรอกเดี๋ยวนี่แป๊บไปเดี๋ยวเดียวทันนอรมาสุก ข, ขึ้นมาทันทีกบเพราะความร้อนมันพอการบำเพ็ญจิตจพอรากับมันการทําขนานดใดทําขนานดนั้นทำนั้นจริงจริลงไปผลของการทําจริงนั้นหละคือทําพอ มันพอก็เหมือนกับความร้อนที่จะหุงจะต้มมันมันพอมันก็สูงขึ้นมายังการบำเพญ็ญตภาวนาการบำเพ็ญจิตภาวนาทำให้พอทำให้มากทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งในขณะใดาผลก็ปรากฏเด่นชัดเป็นผลของการบำเพ็ญจิตภาวนาให้เราได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงหนะประเสริฐจริงหนอประเสริฐจริงหนออะไรจะประเสริฐทํานี้ม่มี่ ผลของการทำจริงก็ได้รับของจริงผลของทําความจริงก็เจอของจริงถ้าหาก็ทําเล่นๆไม่เป็นเรื่องเป็นราวสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องเป in <gypt> ็นราวก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมที่เราไม่ปฏิทานกันถึงการบาเพ็ญจิตภาวนานีเมียอนิสงส์บุตรถึงท่านก็มียอนิสงส์บุตรถึงศีลก็มียอนิสงส์แต่จะมาเปรียบเท่าอนิสงส์บําเพ็ญจิตภาวนาไม่ได้ ทานทานมากขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะยากที่จะเห็นผลของทานชัดถ้าหากว่าไม่มีการบําเพ็ญกิจภาวนาศีลศีลก็เหมือนกันรักษาศีลนี่ถ้าหากว่าไม่ภาวนาด้วยนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใครจะเห็นผลของการรักษาศีลชัดถ้าก็ภาวนาเนี่ยประกอบเขาด้วยนี่ผลของทานก็เห็นชัดว่าเป็นบุญเป็นกุศลทานแล้วเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆ ผลของศีลก็เป็นบุญเป็นกุศลรักษาศีลก็เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆทำไมจึงว่าจริงๆก็เรับเจอเราเจอแล้วเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราเชื่อว่าไม่จริงยังไงการภาวนาทำให้เกิดความรู้ความเห็นในเมื่อเรารู้เราเห็นแล้วเราของจริงเราก็ต้องว่าจริงของจริงเราจะว่าไม่จริงใดยังไง พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเทศนาสอนให้พากันใส่ใจในการทานการผู้สนใส่ใจในการรักษาศีลการผู้สนใส่ใจในการบำเพ็ญจิตภาวนาภาวนาให้ยิ่งเป็นการที่เรียกว่าพัฒนาเราเองพัฒนาเราให้สูงส่งเก่าหน้าพัฒนาเราให้มีคุณภาพพัฒนาเราให้มีมีศีลมีธรรมมีคุณธรรม พัฒ น, นาจิตใจของเราให้สว่างไสวยพัฒ น, นาจิตใจของเราสะอาบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนายึงให้พากันใส่ใจชีวิตอันนี้ไม่นานดอกอย่าไปโลเลอย่าไปลุ่มหลงโมเมาก็สิ่งที่มันเดือดร้อนส่วนมากมัวแต่โลเลลุ่มหลงโมเมาก็สิ่งที่กิเลสมันเอามาเอามาเอามาเป็นเครื่อง เครื่องผูกมัดเอานั้นมาผูกเอานั้นมาผูกเอานั้นมาผูกเอานั้นมาล่อให้ให้ให้ประมาทให้มัวเมาละเลยในข้อปฏิวัติละเลยในการบำเพ็ญกิจภาวนาในเรื่องของกิเลสเท่านั้นมันสร้างเครื่องล่อสร้างเครื่องผูกสร้างเครื่องมัดเราก็ไปพอใจพอใจสุขหนอสุขหนอสุขหนอสุขหนอสุขหนอก็จริงแต่เวลา มันทุกข์ขึ้นมาล่ะไม่มีที่พึ่งสุขหนอสุขเนอเวลาไม่เจ็บไม่ไข้น่ะเวลาเจ็บไข้ขึ้นมาล่ะหาที่พึ่งไม่ได้อันนี้กลายเป็นทุกข์เนอขึ้นมาล่ะทุกข์เนอทุกข์เนอะทุกข์เนอเดินประชายบ้านช่องเคยสุขเคยสบายไม่สุขเลยมันเจ็บมันปวดมันจะตายมันจะสุกข์ยังไงเขาขอเงินทองทรัพย์สินเนี่นี่เราเคยว่ามันเปนมันทําให้เรามีความสุขทําให้ความสุขเลยมันเจ็บจะตายแล้วมันจะทุกขยังไง จึงว่าไมไม่ไ ม, ไม่ช่วยช่วยเจนได้ก็คือผลของการบําเพ็ญกิตภาวนาเท่านั้นป่วยไข้ขั้นนาดไหนคำว่าทุกข์ไปนี่เจเจเจปวดข้นนาดไหนน่ะทําให้ใจของเราเป็นทุกข์ไปมีมทําไมจึงไม่ทุกข์แล้วเพราะใจของเรามีธรรมเป็นเครื่ อ, องอยู่ในมาใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เราจะไม่ทุกข์รอร่างกายเขาจะแตกจะพังเขาจะแตกจะพังขั้นแค่ไหนจึงน่าก็ช่างเถอะอันนั้นเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรา เรื่องของเขาเราจะไปทุกทํทำไมนี่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แต่ยิ่งเป็นประโยชน์แก่บรรดาเร า, เราทั้งหลายทั้งหลายอย่าหาประมาณไม่ได้ทีเดียวจึงอย่าพากันประมาทบัวเม้านี่พากันอบรมให้ยิ่งทานะบรารมีศีระบรารมีภาวนาบารามีทำให้ยิ่งขณะที่เรายังมีโอกาสอยู่ ปอยให้คอยยิงกระทางเอานิมนพระไปอนิจจาวัจจสังขาลามาติกากุศลธรรมะกุศลธรรมาแล้วมันจะได้เรื่องเราอะกุศลธรรมะกุศลธรรมะไม่ใช่พระไปให้บุญให้กุศลอะไรท่านไปกล่าวธรรมะใช่ไปกล่าวธรรมะให้โยมฟังเป็นการเตือนสติตายแล้วมันไม่ได้เรืองอะไรดอกอย่าพากันประมาทัวเมากุศลธรรมะนี่ธรรมะเจ้าของ อากุศลธรรมมาลาอิปากันอิพากันเลิกละจะททำแล้วมันมาหาเราสรุปแล้วท่านท่านเทศนาให้สอนว่าอย่างนี้ไม่สนใจพาตะนั่งเก้าอี้ไปห้างสุโีทัว่างพากันนั่งเก้าอี้แล้วก็คุยกันบางทีเล่นการพ น, นันต่อหน้าพระไปสวบมาดิกาวบางสกุลพัสชงแนด้วยมันไม่ได้เลืถองเดียววอย่าคอยให้ พระไปให้บุญเวลาตายแล้วอย่าคอยให้ลูกหลานเขาทาบุญแจกทําบุญอุทิศเราอย่าไปคอยทําเองให้พอทําเองให้พอทําเองให้พอทอําเองให้มันสมบูรณ์เราอยู่เราก็อยู่ไม่สุขเราอยู่เราก็อยู่อย่างอิ่มอยู่อย่างพอตายเราก็ตายอย่างอิ่ดตายอย่างพอนี่ จึงว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหาวกว่าพากันโลเลโลเลเซใสเซขวาโลดเลยไม่ได้เรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่เราน้อยมากจึงให้พากันเข้าใจทั้งชาวบ้านและชาววัดอ่าพากันภาวนาต่อไปภาวนาพุโทโธพุโทโอยิ่งนะอย่าไปสนใจอะไรเหมือนกับเรานั่งอยู่คนเดียวนี่ นั่งอยู่คนเดียวมีอะไรบ้างเราคนเดียวมีอะไรบ้างหัวนหนึ่งหัวนหนึ่งแขนสองแขนขาสองขาตัวอนหนึ่งหัวนี่หัวหนึ่งนี่มันก็มีหลายอย่างเยอะแยะนับผมอย่างเดียวมันก็เยอะแยะอ่ะยังมีหนวดมีขนเขาอีกยังมีหูมีตามีจมูกเขาอีกยังมีอย่างมีปากมีฟันเขาอีก ยังม like in <Credit> ีอะไรต่ออะไรเยอะแยะชาวผู้หัวนี่กระโหลกศีรษะก็มีเยอะในสมองศีรษะก็มีสมอนสมองก็เยอะแยะอยู่กับเราถึงจะอยู่หลายคนจะคนไหนมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเราดอกจะคนไหนก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเรามันก็หนังห่อกระดูกเหมือนกันมีนังมีเนื้อ มีเส้นมีเอ็นมีกระดูกมีไส้มีตับมีไตมีไส้มีปอดหมันเล่าเหนือไมต้อง ouais um. ไปสนใจอะไรสนใจพุทธโโโผู้ประเสริฐเลิศกว่าเทวดาอินพรมทั้งหลายเอามาเป็นอารมณ์ของใจเอามาเป็นหลักจิตในใจให Them, <IN> ้แน่วแน่มั Promised ่นคงอยู่ในคาว่าพุทโธโอโอโอโอโอโอโอโอควันแน่วแน่กาแน่วแน่ก็คือทำมากๆทาจริงๆทำให้ยิ่ง แนวนแนวแนได้ถ้าว่าทำไม่จริงทำไม่ยิ่งจะแนวแน่ไม่ได้ดอกอย่าทำศัตว์เจาอาเป็นพธิธีทำเป็นพธิธีมันก็ได้แต่พิธี้ันหละอยู่ก็ น, นั่งเยวกันหลายคนเหมือนกเราคนเดียวไม่สนใจอะไรสักอย่างไม่สนใจทำใหม่กี่คนกี่คนก็ช่างมันไม่มีอะไรแตกต่างจากเรา ไม่หายใจก็ตายเหมือนกันหมดไม่หายใจแล้วมันก็ตายไม่มีอะไรแตกต่างกันกันหรอกในเมื่อ ไ, ไม่มีอะไรแตกต่างกันเราจะไปสนใจสนใจนอะไรพระพุทธเจ้าให้สนใจอยู่กับเราพุทโธก็อยู่ในเราพุทโธทอยู่ในเราพุทโธอยู่เราพุทโธไม่หย่าอยู่พุทธเจ้าพุทโธอยู่ในเราจรึง estly, ว่าสนใจเราสนใจอยู่กับเราสนใจสิ่งที่มีในเรา แล้วก็ทําให้ยิ่งทําให้ยิ่งทําให้ยิ่งทําให้ยิ่งผลของการทําผลของการบำเพ็ญจิตภาวนาผลจะปรากฏไปไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่าผลของการภาวนาหรอก